ตอนอบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กันยายนถึงห้าตุลาคม2558ตอนที่11ระดับอริยคือพระอรหันต์ถึงจะข้ามพ้นพวกนี้คือมันเป็นสัญชตาตญาณแต่ว่าคนระดับนะก็เราปฏิบัติเนี่ยเมื่อกี้นี่คุณครูมาปรึกษาผมครูว่าแกเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงกรี๊ดเลยนะ พอเห็นแล้วมันทุกข์มากนะเราก็ใช้คือกบหนีมันมาตลอดแต่เมื่อกี้กีดแรงมากเนี่ยเราถึงเห็นผลคือชีวิตเราจะไปกีดข้างนอกไม่ได้หนึ่งเหมือนเสียมารยาทเขาจะหาว่าเราบ้าเห็นไหมเราก็กดไว้แต่เด็กมันไม่กดนะมันดีใจเฮ้ยขึ้นมาเลยมันไม่มีมารยาทมันเสียใจมันก็ร้องไห้ออกมาเลยเห็นไหมมันจึงไม่เครียดไงแต่ผู้ใหญ่เราไม่ได้นะลูกไม่ได้ไม่ได้ อย่าร้องไห้นะมันเสียศักดิ์ศรีเขาจะเห็นว่าเราอนะ่อนแอนอย่าหัวเราะแรงน่าไม่มีมารยาทเรากดไว้ตลอดพอกดกดก็กลายเป็นเป็นอุปนิสัยกลายเป็นกิเลสเรานะเราก็ไม่คุ้นเคยกับเสียงกรีดอะไรเนี่ยนะพอได้ยินปุ๊บเนี่ยบางคนกลัวมากตนตัวสัน่นนะเนี่ยเรามีโอกาสมากรีด ยึดโดยที่ไม่มีใครว่าเราเพราะทุกคนเข้าใจกันหมดนะมาล้างมันออกอย่าไปกดเหมือนไว้แรกๆต้องเหมือนเราแก้งทำนั่นแหละเหมือนเราเสียแซงแก้งทำอันนั้นเปิดฝามันออกที่นี้มันก็ไหลออกมาเลยนะและชีวิตเรานี่ยโดยเฉพาะคุณครูนะจำไว้นะเดี่ยงนะที่นี่เราก็มีโรงเรียนนะอยู่กับเด็กอะอารมมันยังกลิงเลยนะยิ่งๆถ้าเราไปติดถูกติดผิด เรามีความอยากให้มันเป็นผ้าพับไว้เนี่ยนะมันไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจเนี่ยรับเละเลยรับเลนะนักคำนี่เป็นพ่อบ้านที่นี่ยี่สกว่าปีก่อนนะแกก็ฝึกละทีนี้พ่อกูไปสอนเด็กมัธยมที่อำเภอพิบูรณ์แกก็ตามไปด้วยตอนนั้นแกแบบเพียวๆล่ะนะแต่ว่าอินทร์สีพร ะ, ะไม่พอนะพ อ, พอเราเอาออกมาเนี่ยมันก็มีช่องว่างนะไอ้เด็กมันร้องกีดมันคนเป็นหลายๆร้อยคนมันดังมากเนี่ย อารมณ์แกเข้าแกนักคเนี่ยลมทั้งยืนเลยนะอันนี้กว่าธรรมอารมณ์เข้าเราไม่เข้าใจธรรมอารมณ์นะยกตัวอย่างว่าคุณครูดูภาพยนตร์เนี่ยมันโศกมันเศร้าเนี่ยถ้าเราอินปุ๊บเราจะร้องไห้ตามมันนะเห็นไหมเราดูเขาแสดงตลกเนี่ยถ้าเราอินปุ๊บเราจะตลกตามมันนี่คืออารมณ์เข้าอารมณ์เราเข้าทุกวันโดยเราไม่รู้ตัวนะ นี่แหละมันก็เปื้อนไงเปื้อนนะเราไม่เคยเราอาบน้ำข้างนอกเรากลัวเป็นโรคผิวหนังเรากลัวมันจะเหม็นเรากลัวเขาจะว่าเราไม่สวยแต่เราละเลยสิ่งสำคัญในชีวิตเราไม่เคยอาบจิตเลยจิตมันเปื้อนมากนะก็มีเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังเรื่องเดียวกันต่างคนต่างมองคนละมุมมีเศรษฐีท่านหนึ่งขับรถยี่ห้อแพงมาก นะก็ขับเร็วมากเพราะข้างหน้าต้องมีมิ팅ไปไม่ทันเนี่ยเสียผลประโยชน์สิบล้านลอยล้า น, านระหว่างทางสวนทางกับพระธุดงค์รูปหนึ่งพุทธต่างคนต่างมองกันเศรษฐีก็เห็นพระธุดงค์ทำไมไม่ใส่รองเท้าถนนก็เป็นลูกหลังน่าจะเจ็บนะหัวก็โลนๆนไม่มีร่มน่าจะร้อนนะเพราะเกิดมาไม่เคยทำอย่างนั้น สงสารแต่หยุดได้ไหมไม่ได้ต้องรีบไปแอร์เปิดเย็นเลยนะแต่ข้างในเล่าร้อนมากพระธุดงค์นี่เป็นคนบรร น, นอกเกิดมาไม่เคยนั่งรถติดแอร์เลยนะท่านก็เดินไปเรื่อยๆท่านใส่ท่านท่านใส่รองเท้าไม่ใช่แบรนด์เนมนะหนังแท้ๆเลยยิ่งใส่ก็ยิ่งหนาไม่มีวันสึกนะท่านเหยียบหินก็ไม่เจ็บนะเห็นไหมนวดขาเสอีก ทีนี้ท่านไม่มีเงื่อนไขเวลาท่านเดินไปเรื่อยเหมือนรถขายโอมถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเหนื่อยฉันก็พักเห็นไหมเออท่านตากแดดจนเคยชินแล้วไงแล้วทําไมพวกฝรั่งแถวแคนาดาเนี่ยวิ่งมางมองไทยเป็นนอนตากแดดมันบอกร้อนดีจังเห็นไหมคนเรามันแล้วพระธุดงค์เนี่ยก็มองเข้าไปอ่มันปิดกระจกซะหมดเลยเนี่ยมันค ง, คงหายใจอึดอัดหน้าดูนะก็มองอีกมุมหนึ่งนะ มันขับเร็วๆอย่างนี้มันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พระคุณดงก็สงสารเศรษฐีต่างคนต่างสงสารกันถามว่าระหว่างเศรษฐีกับพระธุดง์ใครร้อนใครเย็นเปิดแอร์เสียเย็นเลยเนี่ยแต่ข้างในร้อนมากกลัวจะไปไม่ทันพระธุดงตากแดดร้อนมากแต่ใจมันเย็นมันไม่มีเงื่อนไขเวลาไม่มีเดินไปเรื่อยๆไม่กังวลเลยเย็นใจนะเห็นไมเรื่องเดียวกันมองคนละมุมนะ เอาทุเรียนมาตั้งไว้ตรงนี้บางคนวิ่งใส่บางคนวิ่งหนีเห็นไหมความอร่อยก็เป็นอุปทานไม่ใช่ความจริงชีวิตเราอยู่ภายใต้กรอบของอุปทานออพอได้ดังใจอุปทานมันชอบมันก็รู้สึกสุขพอไม่ได้ดังใจอุปทานมันไม่ชอบมันก็รู้สึกทุกข์แก้ตรงนี้ของเรานะแก้ตรงนี้ ถ้าเราแก้ไปเรื่อยๆน่ยชีวิตเราเนี่ยเอาว่ายังไม่พ้นทุกมันจะทุกน้อยที่สุดทุกน้อยที่สุดนั่นแหละคือความสุขเห็นไหมแอร์คอนดิชันเนี่ยเครื่องปรับอากาศมันเย็นเพราะมันเอาความร้อนออกเท่านั้นเองน้ําแข็งนี่เย็นเพราะความร้อนมันน้อยมันไม่มีความเย็นจริงๆนะนี่แหละถ้าทุกมันน้อยสุขก็มากถ้าทุกมากสุขก็เหลือน้อยมันเป็นของคู่ นะไม่มีทุกข์ก็ไม่มีสุขนั้นจะเป็นสุขเป็นของคู่แต่สุขถาวรที่บอกว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะถ้าเกิดบุญวับุญวาสนาเราสร้างมาเยอะแล้วเราก็บวกบุญใหม่เข้าไปหน่อยถ้าเราถึงตรงนั้นเราจะรู้จริงๆว่าอะไรที่เป็นสุขถาวรใครเปลี่ยนก็ไม่ได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สุขอย่างที่เราเข้าใจนะมันดับทุกข์ได้ถาวรนิโรดนิพพานคือความดับทุกข์ แค่ทุกข์มันไม่เกิดเลยนี่แหละสุขมันก็อยู่กับเราตลอดเวลาไอ้ความไอ้รู้สึกที่ต้องกังวลห่วงใหญ่มันไม่มีนะตอนนี้เราสแสวงหาความสุขนอกกายนะมันเป็นสุขสุขดิบดิบมันไม่ใช่สุขแท้เป็นแค่ความสะดวกสบายความเพลิดเพลินนะเมื่อกี้มันเป่องออกมาความสะดวกสบายเออมันก็มี ม, มีมีอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือสมัยก่อนเราถูกสอนว่า ต้องหาเงินเยอะๆเมื่อมีเงินล้วก็ซื้อเทคโนโลยีนะมาสร้างความสะดวกแล้วก็สบายนะภาษาอังกฤษบอกต้องขอนวีเนียนแล้วก็ feel comfortable แล้วก็ feel happiness ต้องได้ก่อนค่อยแฮปปี้กว่าจะสะดวกเรียนเทือบตายเอาวิชาไปหา ทำงานเอางานเอาผลของงานเอาเงินมาซื้อความสะดวกเพราะสะดวกไม่กี่วันปุ๊บเนี่ยเขามีรุ่นใหม่แล้วไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มันสะดวกกว่าเรายี่บกปีพ่อครูมาอยู่ที่นี่สบายโดยไม่ต้องสะดวกได้คุยกับพวกเราก็สบายสบายพวกเรากลับไปแล้วนั่งคนเดียวก็สบายสบายทำไมต้องอ้อมนะ่ะต้องสะดวกก่อนค่อยสบายสบายเลยเห็นไหมสบายโดยไม่ต้องสะดวก ตอนนี้มันสะดวกมากนะหน้าหนาวเปิดสมัยก่อนไม่มีหรอกไฟฟ้าก็ไม่มีไอ้ตู้อ่ อ, อนร้อนแต่พระคุณเนื่องจากการเมตตาการให้คนในเมืองมาเนี่ยเขาไม่คุ้นเคยถ้าเจอน้ำเย็นตอนหน้าหนาวเนี่ยเขาจะตาย <c oughs> เมื่อเขาเขาทุกข์แล้วเขาจะไม่มีใจปฏิบัติโอเคอนุญาตที <c> ่ <oughs> ทั้งที่ว่า ระบบไฟที่นี่มันก็กำลังทําอยู่แต่มันเป็นปลายสายละ่ะไอ้ต้นกําเนิดของไฟฟ้านี่เราทําอะไรไม่ได้เราก็พยายามใช้แสงโซลา่าอะไรมาเสริมเราอยู่ตอนนี้นะเราคิดว่าอุ้ยหนาวปุ๊บเปิดน้ําอุ่นเห็นไหมสบายสะดวกแล้วก็สบายไงร้อนปุ๊บเปิดแอร์ไงแต่เราไม่เข้าใจว่ากว่าจะสะดวกอย่างนี้นะเราเรียนแทบแย่เอาวิชามาทํางานหาเงินแล้วเอาเงินมาจ่ายค่าไฟค่าอะไรเนี่ยนะ ความสะดวกสบายนี้ต้องแลกด้วยความเหนื่อยมากมายแต่ถ้าเรามาฝึกนะน้ําเย็นก็อาบสบายสบายน้ําอุ่นก็อา ب, บก็สบายสบายเราไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้นเลยเราสบายตลอดเห็นไหมเหมือนพระธุดงเนี่ยท่านไม่ได้ไม่ต้องใส่รองเท้าแบรนด์เนมไม่ต้องไปหาเงินไปซื้อน่นท่านใส่หนังยี่ห้อแท้เลยท่านก็เดินอย่างสบายเราถูกสอนว่า ต้องสะดวกก่อนค่อยสบายเพราะกูถูกหลอกไปสี่สปีย6ปีมาอยู่ที่นี่เนี่ยสบายโดยไม่ต้องสะดวกนี่แหละคือพึ่งตนเองตอนนี้เราพึ่งสังคมพึ่งเทคโนโลยีตลอดเวลาเห็นไมโอ้ยมันร้อนเปิดแอร์สบายสบายพอไฟดับปุ๊บเนี่ยทุกแล้วเห็นไหมเห็นไหมความสบายเรามันเกิดขึ้นจากเราอิงอาศัยสิ่งอื่นสิ่งอื่นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยง แต่ยุคนี้เนี่ยอยู่กรุงเทพนี่ไม่มีแอร์ได้ไม่ไหม้มนภาวะมันเป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์ก็ต้องไปหาเทคโนโลยาอะไรที่มาป้องกันมันนะเราก็อยู่กับมันไม่เป็นไรทางสายกลางเนี่ยเราพอทําได้ก็ทําแต่อย่าไปติดมันเท่านั้นเองนะเพราะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนนะต่อไปนี้พ่ะครูว่าเมืองหลวงใหญ่หญของโลกนี้คงต้องมีขายออกซิเจนแบบ ฉบับกระเป๋า <c oughs> แขวนไ้แล้วก็ไปหายใจด้วยนอะอันนี้คือผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นนะเราความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครื่องมือมาทำลายโลกให้มันเร็วขึ้นนะต้นไม้ใหญ่ๆขนาดนี้นะบางทีเป็นอายุเป็นร้อยๆ้อยปีเนี่ยนะเออพราะคุณมาใหม่ใหม่เห็นนะคุณตาคุณยายคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย เขาก็เลื่อยไม้เขาเอาเอามือเลื่อยเลื่ยเื่อยื่อยเลยขับรถผ่านก็เห็นเขาเลื่อยเลยเลืยกว่ามันจะขาดแลว้วกลัวจะพาเปน็นแผ่นแผ่นสร้างบ้านเนี่ยไอ้ต้นไม้อื่นมันก็ใหญ่ขึ้นแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์เก่งมากมึงต้นไม้ร้อย200ปีนี่ฉันตัดสานาทีแจ๊ดเสร็จแจ๊ดเสร็จแจ๊ดเสร็จแจ๊ดเสร็จนั่นแหละคือความสามารถของวิทยาศาสตร์แต่ขบวนการวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ไม่ดีนะผู้เจ้าก็สอนแบบวิทยาศาสตร์ ต้องทดลองทดสอบและการวิทยาศาสตร์มันดีแต่เป้าหมายมันถูกทุนนิยมวัตถุนิยมครอบงาหมดเธอต้องวิจัยสิ่งที่มาสร้างทุนของฉันนั่นเองอันนี้มันไม่ดีละเอาความเก่งของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือทําลายสิ่งแวดลอ้อมวันหนึ่งเจาะขึ้นไปในใต้ดินคือคืออย่างนี้มนุษย์เราขีดตู่เนาะอันดับแรกเราบอกว่าโลกมนุษย์โลกนี้คือของมนุษย์อ่ของฉันฝ่ายเดียวสัตว์ไม่ยุ่งเกี่ยว ป่าไม้เป็นที่อยู่ของมันเนี่ยมันเป็นของฉันฉันจะทำลายเมื่อไหร่ก็ได้อ่นี่ประเทศฉันแผ่นดินฉันฉันจะเจาะน้ำมันลงไปเนี่ยนะเอาขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านบาเรลเนี่ยมาแลกเป็นเงินนี่ก็เรื่องของฉันโลกนี้ไม่ใช่ของคุณนะโลกนี้ไม่ใช่ของมนุษย์โลกนี้ของสัพพสิ่งเราสร้างกรรมครั้งใหญ่มันก็มันก็มันก็เป็นโพงไง กว่าจะเป็นน้ามันแม้กระทั่งเอาน้ําขึ้นมาถ้าเอาน้ําขึ้นมาใช้เป็นน้ําบาดาลใช้ที่บ้านเนี่ยไม่เป็นไรหรอกปริมาณที่เราใช้กับที่มันก็ปรับสมดุลทันตอนนี้เนี่ยเจาะขึ้นมาอย่างบ้าระห่ำเลยบริษัทใหญ่ๆเอามาใส่ขวดขายเนี่ยมันปรับสมดุลไม่ทันเห็นไหมตอนนี้แผ่นดินยุบมากขึ้นเลยไหมอยูย่ๆก็ยุบยุบยุยุยุเรามาทําร้ายบ้านเราเองนะโลกใบนี้ไม่ใช่ของมนุษย์ไม่ใช่โลกมนุษย์โลกของสรรพสิ่ง แต่มนุษย์อาศัยความเก่งตัวเองเนี่ยมาตักตวงทรัพยากรของโลกและตอนนี้เรากําลังรับกรรมนะช่วงเกิดสึนามินั่นพอกูก็เห็นโทรทัศน์ผู้ชายคนหนึ่งเขาหมดอะไรตายอยากลูกเมียก็ตายหมดเขาก็เขาจะอยู่ทําไมเขาก็เปล่งออกมาว่ามนุษย์เราเนี่ยสร้างกรรมกับธรรมชาติมากเกินไปกับทะเลน้ำไอสัตว์ทะเลอะไรนี่นะเขาเปล่งมาว่า ธรรมชาติทำไมโหดร้ายขนาดนี้ธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายธรรมชาติเขาต้องปรับสมดุลของเขาเขาเมตตาอาลีมากนะแต่มนุษย์สร้างกรรมมนุษย์ก็ต้องรับไงเห็นไหมตอนนี้ใครอยู่ปากใต้ก็รู้นะญาติธรรมที่ปากใต้เราก็จอมาที่นี่นะพอเกิดซิโนมีแล้วก็กลัวกันสับปังนึงก็สะสางเอาศพอะไรเลยเป็นแค่ศพเอาไปปุ๊บเอาไปจัดการต้องสร้างใหม่ๆ ใ, ให้มันสวยขึ้นกว่าเก่าแล้วก็นอนบาดผวาทุกวัน นะแต่แต่ชาวเขาเขาไม่กระทํานะเขาหนีไปอยู่บนเขานะ่ะเห็นไหมตอนเกิดซึนามีนะ่ะมีเด็กคนหนึ่งที่ว่ามาจากยุโรปนะมันเคยเรียนพวกนี้มาแล้วพอกพอมันเกิดแผ่นดินไหวเนะ่มันดูดน้ำลงไปนะน้ำมันถูกดูดลงไปเนี่ยเร็วมากเลยไอเด็กคนนั้นมันเรียนมามันก็วิ่งหนีไปบอกพ่อแม่มันหนีและไอชาวเขาที่นูนมันก็วิ่งขึ้นภูเขาเลยนะ มันไม่เคยเห็นชาตินี้แต่าอะไรแปลกๆเนี่ยมันเอาตัวรอดก่อนแต่คนสมัยใหม่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยคนที่ต้องการพิสูจน์ว่าฉันเห็นก่อนวิ่งตามไปถ่ายรูปพอมันตีมาอีกทีหนึ่งตายหมดเห็นไหมสัญชาตญาณเราหายหมดเลยเพราะความอยากรู้ของเรานะตอนนี้ไม่ไม่ไ ม, มันจําเป็นชีวิตเราต้องหาเงินอยู่ที่นู่นอะไรแล้วก็เอาชีวิตไปเสี่ยงแล้วก็พอเกิดสัญญาณเตือนภัยนี่หวาดผวาตลอดเวลา เพราะเราไม่เอาชีวิตเป็นที่ตั้งนะตอนนี้ทั้งโลกเป็นแบบนี้นะจนมนุษย์เราเนี่ยขัดแย้งกันจนไม่รู้เรื่องแล้วนะก็สงครามล้างนี้ก็คงใกล้ๆแล้วล่ะตอนนี้ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นมหาอำนาจนะนะพูดได้เลยคืออเมริกาแต่เขาเป็นหนี้มากที่สุดในโลกและเป็นหนี้จีนด้วย นะเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้อีกนะก็เนี่ยมนุษย์เราไม่เอาชีวิตเป็นที่ตั้งเราเอาผลประโยชน์เรามาเล่นเกม GDP นะดูว่าใครเก่งกว่ากันใครเพิ่มได้เท่าไหร่วันหนึ่งเราก็กินเหมือนเก่ายิ่งแก่ขึ้นล้วก็กินน้อยลงแล้วทำไมต้องไปเพิ่ม GDP นะ GDP ทุก GDP ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากเราทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งใต้ดินทั้งบนฟ้าทั้งอะไรนะเอามาใช้หมดนะอันนี้ก็แลกเปลี่ยนนะให้คุณครูไปพิจารณาแล้วเมื่อพิจนารณาแล้วเนี่ยอย่าประมาทศสาสนาพุทธไม่ได้มองโลกในแง่ลายไม่ได้มองโลกในแง่ดีแต่มองโลกในแง่ความเป็นจริงตอนนี้ความเป็นจริงเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ปกติแล้วข้างล่างก็เป็นโพงข้างบนอากาศมีแต่ขยะ พวกเทคโนโลยีนะแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรเตือนสติเรานะเมืองไทยประเทศเล็กๆถ้่าในแง่ทั้งโลกเนี่ยนะอุกาบาทมันมาแล้วอันนี้แซมเปิลถ้าลูกโตโ ต, ตมันมาแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันเคยมาแล้วไดโนเสาร์สูญพันธ์เพราะสิ่งนี้คื อ, คอเราใช้ชีวิตแบบเราชะล่าใจว่าเหมือนฉันจะอยู่ค ง, ง, งกับพันนะนะ ไม่ชีวิตเราแสนสั้นนะร้อยปีนี่พับเดียวพับเดียวนะเอาละ่ะไหนไหนก็เกิดมาแล้วต้องเป็นตัวแสดงอีกแล้วนะมีบางคนมาลาพ่อครูลากลับพ่อครูว่าอย่าเพิ่งกลับอยู่ให้มีเรื่องก่อนบางคนตกใจเอ๊ะฉันทําปัญหาอะไรหรือเปล่านะไม่มีแต่แม้แต่เรื่องหนึ่งเราไม่เคยผ่านมาแล้วเราเป็นมาหมดแล้วในอดีต มีเรื่องเดียวเท่านั้นที่เรายังไม่สัมผัสคืนนิพพานอย่าเพิ่งตายนะอยู่ให้มันมีเรื่องก่อนนะเราเกิดเป็นมนุษย์เระเซิร์ไม่ง่ายนะต้องใช้ความเป็นประเสริฐของเรามีร่างกายพร้อมเพียง ม, มีกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเดินต่อไปนะอย่าไปคิดว่าอุ้ยมันยากอะไรคิดปุ๊บมันก็ยากมันง่ายจนไม่ต้องคิดเลยเราคิดเเองว่ามันยากนะ มันไม่ได้อยู่ไกลตัวไม่ได้อยู่ใกล้ตัวมันอยู่ข้างในพร้อมแล้วเขารอเราอยู่นี่แหละเป็นสิ่งเดียวเป็นเรื่องเดียวที่เรายังไม่เคยเจอมันอย่างอื่นเราเจอหมดแล้วเราแกล้งลืมพอเกิดมาปุ๊บมันให้เราลืมผู้เจ้าไปตัดสรุเรื่องมหาสติปรานเนี่ยนะอนุสติเนี่ยสติเล็กๆมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเอามาใช้เนี่ย แต่ว่ามาหาสติเท่านั้นกำลังสติใหญ่มันสามารถและเลือกรู้อดีตเราจึงเห็นว่าให้เราเป็นมาหมดแล้วเรื่องเดียวเท่านั้นที่เราไม่เป็นยังไม่เป็นเรื่องเดียวเท่านั้นคือนิพพานนะเกตเล็กพระโกคุฝากนะไม่ใช่ทะเยญทยานมนันเป็นเป้าหมายของทุกดวงจิตส่วนธรรมมาหากินอาชีพเนี่ยเป็นหนึ่งในมรรคมีองแปดนะบางคนมาถามพระครูเร็วๆนี้ว่า เอ๊ะที่ศูนย์นี่ฝึกสัมมถะวิปัสสนาเราไปติดบ่วงวิธีการเล็กน้อยอันนั้นเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งการปฏิบัติธรรมคือฝึกสมาธิเจริญสติแล้วก็ระดับสมถะแล้วก็วิปัสสนาอันนั้นเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยคือมักผล น, ผนิพานต้องเจริญมักผล น, ผนิพานทีนี้การเจริญมักผลนผิพานเนี่ยต้องใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วนะ 37ประการไม่ใช่แค่สติไม่ใช่แค่สมาธิเริ่มจากเรามีสติปัฏฐานทั้งสต้องใช้หลักอิทธิบาทรสี่ไม่ว่าทางโลกทางธรรมนะคุณครูต้องถ้าต้องการให้ชีวิตเรามีความสุขนะต้องใช้สิ่งนี้อิทธิบาทรสต้องมีฉันท่พึงพอใจในสิ่งที่เราทําเมื่อเราพึงพอใจมันก็เกิดวิริยะสติสมาธิปัญญาที่มันมีมันก็มันก็ตื่นขึ้นมาทําหน้าที่นะสี่สองเป็น8แล้วนะ ต้องสำสมัติมมประธานสอีกสสัมรวมระวังไม่ให้อกุศลใหม่มันเกิดขึ้นเพียนละอกุศลที่มันมีอยู่แล้วให้มันหมดไปเพียนสร้างกุศลใหม่ให้มันเกิดขึ้นสัมรวมระวังอย่าให้กุศลที่มันมีอยู่แล้วให้มันหมดไป4อย่างนี้ต้องเตือนสติตลอดเวลา4ี่สสองต้องใช้อินรียห้านะ ศัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เรามีอยู่แล้วใช้มันบ่อยๆมันก็เกิดพละห้าเหมือนเราออกกาลังกายบ่อยๆเราก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเราก็วิ่งเร็วกว่าเก่าห้าสองเป็นสิบบวกกับ12 22เมื่อเราสติปัฏฐานสีเราเข้าไปในจิตในจิตได้แล้วไอ้โพดชงที่มันเป็นบารามีเก่าของจิตมันก็โผล่ขึ้นมานะเราก็เจริญโพชชงเจ็เป็น29 บวกกับมัสมีองแปดเป็น37ประการไม่ใช่ไปอยู่แค่สติสมาธิมันถึงไม่ไปไหนไงต้องใช้เครื่องมือทั้งหมดที่ทเรามีอยู่แล้วเนี่ยสาประการเนี่ยเดินทางแล้วใครจะรู้ว่าเครื่องมือมันอยู่ไหนจิตเดิมเรารู้อย่าใช้สมองงงๆเราเนี่ยไปทำแล้วนั้นแค่ๆองค์วิชาใดวิชาหนึ่งเมื่อจิตเราอิสระแล้วจิตเขาจะรู้ว่าเวลานี้ใช้เครื่องมืออะไรนาะ ต้องสามโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการแล้วแปลกมากนะหลายปีก่อนที่ว่าไอ้พันษาที่เราถ่ายเห็นนั่นนะตรงหน้าตรงนี้นะ่ะภาพนั้นพอเราตกแต่งศาลาใหม่เอาออกนะเราถ่ายเห็นเบอร์สามสิบเจ็ดเป็นเลขไทยเนะี่ยอยู่บนพระบุตรูปเลยแสงที่นี่เขามาสื่อเราตลอดคือเขาไม่ย้ำเน้นว่าอย่าหลุดจากจุดนี้นะก็ ตอนนี้เราเข้าใจผิดเราไปฝึกจิตอยู่เราไปแยกวิชาฝึกสมาธิเจริญสตินะมันไม่ได้ผิดมันเป็นบาฐานเบื้องต้นเหมือนเราสอนเด็กๆเด็กๆ เ, เ, เดินไม่เป็นก็ยืนตั้งไข่ก่อนนั่นคือสมาธิเดินมาลูกทีละก้าวนั่นคือสติแต่ชีวิตจริงเราเนี่ยเราต้องวิ่งแข่งกันแล้ววิ่งแข่งกับกิเลสนะ เ, เราต้องใช้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยเดินทางออกจากป่าและเครื่องมือนี้นี่อย่ากังวลทุกดวงจิตมีอยู่แล้ว ถ้าท่านใดที่เข้าไปในจิตได้แล้วเราเคลื่อนไหวโดยข้างในสั่งเนี่ยเราอยู่ในขบวนที่กำลังเจริญโพชฌงอยู่โพชฌงทั้งเจ็อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาตัวปัญญาที่มันมีอยู่แล้วมันผุดขึ้นมาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วมันก็จางคลายความยึดมั่นถือมั่นวิมุตติคือความหลุดพ้นก็สมบูรณ์หลายท่านกาลังอยู่ในช่วงสุดท้ายกาลังเจริญโพชฌง ใช่เจริญสติเจริญไหมอย่างเราหมุนเราเราเร า, เราลาเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเราก็ล้มนะใช่ไหมมันเป็นสติสัมโพชฌงค์แล้วเราจะขยันมากทําไมเหนื่อยฉันก็ทําไม่เหนื่อยฉันก็ทําเราจะมีวิริยะสัมโพชฌงค์มันเป็นความวิริยะตามกําลังธรรมชาติอินทรีย์พร ะ, ะเก่าเราเนี่ยโพชฌงค์แต่สุตย์ท้ายเขารวมอยู่ในเนี่ยมรตมีองค์8 มันก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้ทำให้มรสมบูรณ์เรียกว่ามรสมังคีไม่ได้แยกวิชารวมพลังกันหมดเดินทางไปด้วยกันโอเคนะช่วงนี้นี่กลับไปเกิดกิริยาแปลกๆอะไรคนที่เห็นก็ไม่ต้องกงังวลนะกออ็ดูดูดูแลดูแลว่าเขาเขาจะคุมอารมณ์เขาได้ไหมถ้ายังคุมอารมณ์ได้ปล่อยให้เขาทำเลยไอ้คนที่เกิดอารมณ์นี้ก็อย่ากลัว จำไว้ว่าจิตไม่ทําร้ายเราเองแน่นอนนะแต่ไม่วันนั้นเมื่อคืนบอกมีคําถามมาจากกรุงเทพว่ากลับไปในตัวร้อนจีกินยาอะไรก็ไม่อยู่กินยาอะไรก็อยู่ไม่อยู่มันไม่ใช่เรื่องกายภาพมันเป็นเรื่องธรรมอารมณ์มันกําลังปรับสมดุลทางอารมณ์อยู่นะโดยเฉพาะลมพิษลมเพิษอะไรก็ลมมันเป็นพิษมันก็เอาออกไนงะมันกําลังทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรสิ่งแปลกปลอม นะโดยเฉพาะพวกถูกเล่นคุณใสอะไรเนะี่ยเพราะกูหลายผ่านมาหลายปีเจอไอ้ผีผีเข้าอะไรหลายคนน่ะเพราะจิตมันแรงเบี่ยงแล้วมันไม่ให้อยู่หรอกมันเอาออกหมดอะ่ะจิตเรามันหวงร่างกายนี้มากนะมันไม่ยอมให้สิ่งอื่นมาใช้ร่างกายเรามาแปกบอมตัวนี้ให้เชื่อมั่นในจิตเรานะถ้าเราไม่เชื่อมั่นเนี่ยศรัทธาที่มีอยู่เนี่ยถูกตีหัวเนี่ยมีแต่ความกลัวครอบงําเนี่ย เราก็ไม่กล้าดำเนินต่อแล้วก็พลาดโอกาสโอเคนะได้เวลาไปทานข้าวกันก็ให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะก็สำเร็จชีวิตดังความตั้งใจนะก็ที่สำคัญอย่าทุกข์สุขไว้ก่อนนะแล้วก็มุ่งมั่นปฏิบัติไปเพื่อให้เหมนเข้าไปสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ที่แท้จริงโอเคนะไปเดินทางปลอดภัย